เจ้าทำวัดเย็นจบประรบรมสู่กันฟังให้ได้ยินได้ฟังเอาไว้สิ่งไหนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็ให้ได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วยังไม่เข้าใจก็ให้เกิดความเข้าใจให้บันเทาความสงสัยทา เมื่อฟังไปฟั ง, งไปจิตก็ย่อมผ่องใสก็เก่าความเห็นที่เป็นสัมมาทิทีิก็เกิดขึ้นก็เป็นทางดำเนินไปสู่ที่สุดแห่งทุกข์ขืมก็ผลในผ่านก็ใสส่วนประกอบเรานี่แหละยิ่งพวกเราโอกาสนี้ก็มาปฏิบัติธรรมมาเจริญภาวนา เป็นการศึกษาชั้นสูงสุดของชีวิตเราวิชาภาวนาเป็นวิชาเป็นวิชาพิเศษทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปจากภาวะเก่าเราก็ทำได้กับมือกับตัวของเราโดยเพราะหลักภาวนานี่มันพบเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับลายกับจิต ใ, ใจเรา อาจะเป็นการเจริญสติถ้ามีสติตียิ่งปิดประตูนรกได้ปิดอบัยวภูมิได้ผู้ที่มีสติแต่ผู้ที่ขาดสติต่างหากที่ไปสู่อบายภูมิชั้นต่ำพวกเราผู้ปฏิบัติอย่างน้อยเราก็เห็นความคิดของเราหมันคิดคืนข้างหลังมันคิดไปข้างหน้าบางทีมันไหลต่ำลงไปเราก็ยกขึ้นมา ทวนเอาไว้ทวนเอาไว้เป็นการทวนกระแสของโลกทวนกระแสของความคิดไม่ไหลไปตามความคิดถ้าทวนกระแสของความคิดก็เรียกว่าลักษณะของมนุษย์มนุษย์เนี่ยวจะคิดไปทางสูงๆแต่เป็นคนธรรมดาไปคิดไปทางต่ำๆ มนุษย์เนีเป็นมนุษย์เท่านั้นที่จะกลายไปเป็นพระอย่างระ บ, บวชนะปราชญจะถามว่ามนุษย์โซสิเธอเป็นมนุษย์หรื อ, อยองเราก็ตอบว่าเจ้าหน้าก็ตอบว่าอามะพันเตเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์สมายถึงคิดสูงสูงคิดถึงศีลถึงธรรมคิดถึงความดีคิดถึงมรรคถึงผล มีสติสัมปชัญญะเนี่ยเราก็ได้ทวนอยู่แล้วมันลงไปเราก็รู้อยู่แล้วกว่าทวนแล้วอาจจะเป็นทุกข์เป็นสุขเราก็รู้สึกตัวก็ทวนแล้วอาจจะไปติดไปเปิดไปเพื่อนอะไรมาที่มันเปิดเพื้อนอะไรมาเราก็รู้สึกตัวก็ล้างแล้วเป็นจริตนิสัยอย่างไร ราคาจลิตโทสะจะลิตโมหจะจลิตรู้สึกตัวกล่างจลิตมันนั้นออกไปแล้วพอสาอายจจะเป็นพรมไวจันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงความรู้สึกตัวมันเป็นน้าสินน้าธรรมชำระล้างบาปกุศได้จริงเราก็ทำอย่างนี้แหละทาได้อย่างนี้แหละไม่ใช่ดุนๆุนเดาเดาคันเ ด, ด, ดนคํานวณไม่ใช่ มันเป็นการทํากับการกระทําของเราเรียกว่าการกระทําวันนี้เราก็โชคดีมีหลวงพ่อใหญ่มีหลวงพ่อเจริญสํานักปฏิบัติธรรมสวนป่าอาาริโกวัดป่าอาคาริโกอภัยเจตุรักจังหวัดเชียงภูมิเดียวกันเป็นสายงานร่วมกันเป็นพระผู้หลักผู้ใหญ่ในสายงานของหลวงพ่อเทียน เป็นพระที่อยู่ในวัยชราแล้วพร้อมท้งหลวงพ่อด้วย ก, ก็พยายามที่จะบอกความจริงแก่ทุกชีวิตโดยเพราะการปฏิบัติธรรมนั่นอันนี้จะได้อาราธนาเนื้อมนหมลวงพ่อจะลันจะระลสกสมปโนรายแสดงทำให้แกพวกเราฟังพวกเราก็จงตั้งใจฟังตามสมควรแก่เวลา พ่อกลาพนาเต๋อพ่ถวายความเคารพพ่อเป็นพ่อ ค, คเฉียนพ่อเป็นประธานตลอดทั้งพระวิปัสสนาจารย์ทุกโลกพระเจริญพรยัติโยงผู้ฝ่ายธรรมทุกคนอาลาณวาช่วงโอกาสต่อไปนี้แล้วก็มาทำหน้าที่ร่วมกัน ทั้อ่อก็ทำหน้าที่ในการพูดวเวลราทั้งหลายก็ฟังหน้าที่ทำหน้าที่ในการฟังระหว่างการฟังกับการพูดนี่ให้มันสมดุลกันฟังให้เป็นกลางๆไว้ก่อนอย่านรับแล้วก็จะโดนปฏิเสธด้านนั้นคำพูดที่หลวงพ่อพูดนี่ เป็นแค่องค์ประกอบในการปฏิบัติส่วนการปฏิบัติการจเจริญสติจริงๆนั้นความรู้สึกตัวของเราจริงๆน่ะมันเหนือคำพูดมันเหนือทุกอย่างถ้าเราได้สัมผัสกับความรู้สึกตัวน่ะ มันจะแค่ไข้ปัญหาของเราทุกคนใได้สิ้นเชิงตราบใดที่เรามีความชิดหรือมีความหลงตัวสติสัน้นปัญญาก็จะแก้ไขปัญหาอันความหลงอันนั้นดังนั้นชีวิตเราทุกชีวิตเนี่ยมีสั่น มีน้อยๆมีแต่ความหลงกับความรู้สึกตัวเท่านี้นนการเจริญสติเนการแก้ความหลงเรามีทางเดียวคือแก้ความหลงเขเฉยๆเนี่ยอย่างอื่นจะเป็นไปหมดจะรอบวงจรไปหมดหน้าที่ของเราคือ แก้ความหลงสร้างความรู้สึกขึ้นไม่แก้ความหลงแล้วไม่ต้องวัดตัดความชิดก็ตัดอยู่ในในกระบวนการของมันเองพอเรามีสติมันก็ตัดความชิดแต่เราอย่าไปชิดตัดตรงๆเราอย่าไปชิดตัดความชิดเราเป็นแต่เพียงเกตนาเ ก, กี่ยวกับความรู้สึก มันก็แก้ไขความคิดไปเองมันก็ตัดไปเองอ่านปัญหาของพวกเราที่ทำที่แรกเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่ว่าพอเรามาเดินยมกลมพอมาสร้างจังหวะกำหนดสติความรู้สึกตัวขึ้นอาจจะมีอารมณ์เกิดขึ้นมาคือ น, นิวรธรรมนี่คือปัญหา ทีนี้ผู้เท่เจริญสติก็ต้องตั้งใจเรืออธิษฐานจิตของเราให้ให้แข็แข็งอย่าไปถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอุปสรรคอย่าไปถือว่านี่วรธรรมเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติเราไม่ต้องข้องอยู่ตรงนี้ ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมานี่มันเป็นอาจารย์เราแล้วให้เรามาเรียนรู้มันแล้วแต่ในวัฒนธรรมจะเป็นความห่วงก็ดีความเมื่ออัดขัดเครียดก็ดีความเครียดในอารมณ์ก็ดีนี่คือเกิดขึ้นมาให้เราดูแล้วให้เราแก้แล้วทังนั้นการแช้ตรงเนี่ยต้องหาอุ บ, บาย หรือฉลาดบางครั้งบางคราวเราเดินยำกลมอยู่มันเกิดความง่วงขึ้นมาหนักๆแต่เดินยำกลม ก, มก็ความรู้สึกก็ไม่ชัดเจนการกาหนดลูคก็ลางๆมันทำให้เราเครียดเราเบื่อเราเซ็งขึ้นมาเราก็ออกทางจมกลมบ้าง ออกทางกกวมไปไปดูสิ่งที่รอบๆตัวของเรานั้นเราอยู่แต่เราออกทางก็วมไปไปดูต้นไม้ไปดูต้นไม้บ้างไปดูเพื่อนมิตรแต่เราดูต้นไม้กำหนดรู้ต้นไม้นี่นี่ต้นอะไรให้เรามีความรู้สึกอยู่ตรงนั้นดีๆ ให้มันชัดเจนดูต้นไม้ดูก้อนเมฆหรืออยู่ใกล้ๆทางดูรถกำหนดรู้อย่าอย่าถ้าหากว่าเราสู้ไม่ไหวเน่ะต้องหาอุบายหาอุบายแก้มหาอุบายแก้อย่างอื่นแต่ตอนแย้เนี่ยให้มีความรู้สึกที่ชัดเจนดูดีๆว่าเออนี่ ต้นมะม่วงแล้วก็พิจารณาเก่งเป็นยังไงก้านมันเป็นไปทางไหนดูให้ดีๆออกจากต้นมะม่วงไปดูต้นขน้นก็ดูไปอีกกาหนดรูปไปอีกเล่นๆ เ, เล่นอยู่กับความรู้สึกเล่นอยู่กับสติแต่อย่าให้ขาดสติอย่าให้เป็นความคิดเราดูไปดูมากาหนดรูปไปรูปมานี่ อารมณ์มันอารมณ์นั้นมันจะคลายออกอารมณ์มันจะคลายออกคือเราเปลี่ยนยาไปคุยกันไม่ต้องไปคุยกับคนอื่นคือเราช่วยตัวเองหาอุบายแก้ตัวเองหาอุบายแก้ตัวเองหรือเราจะเข้าห้องน้ําเข้าไปห้องน้าไปอาบน้าไปล้างหน้า ก็ให้มีสติดูดีๆอยากเข้าไปชิด่าให้มันห่างจากการกำหนดรู้รู้บ่อยๆตัวรู้บ่อยรู้เรื่อยๆคือตัวภาวนาคำว่าภาวนาเขารู้บ่อยๆรู้เรือยๆเราทำอะไรให้เรารู้คำว่ารู้เลยๆไม่ใช่รู้อย่างเอง่นเอาจิตมากำหนดรู้อยู่ที่กาย แต่ขอให้ขยันรู้กายขรังเรามันเคลื่อนไหวไปมาอยู่ บ, บ่อยๆอยู่เรื่อยๆตลอดไม่อยู่เฉยๆไอ้ที่เราเกิดอารมณ์ขึ้นมาเนี่เราหลงอารมณ์เนี่ยพอเราลืมจุดนี้พอเราหลงกายหลงกำหนดรู้จะเทกกายเนี่ยมันจะไปอยู่กับอารมณ์ดังนั้นตัวขยันรู้จะเทกกายเนี่ยขยันรู้ไปให้มันถี่ บางครั้งเราดูลมหายใจก็ได้กระดิกพ่วมือเล่นๆกระดิกเนื้อตีนเล่นๆก็ได้เล่นเดียวกับความรู้สึกตัวตรงเนี่ยเราให้สนใจตรงนี้ให้มากอันผู้ม่เนีองพ่อก็เหมือนกันทีแรกพอมาทํานี่ถ้าทั้งที่เราไม่เกตนาเรื่อมเรื่อมสายศรัทธามากว่าจะมาปฏิบัติ จะตั้งใจเอาจังเงแล้วแต่พอมาเดินชมกลมมาผาสร้างยังว่ามันมีมารมาทันทีมารไม่ใช่อยู่ที่อื่นอยู่ที่ตัวเราคือในวาระธรรมนี่ละ่ะจะเกิดขึ้นมาเลยอยู่วัดไม่เคยนอนกัางวันแต่พอมาปฏิบัติเนี่โอ้มันมาทันทีเดินก็จมกลมก็ชนต้นไม้ บางทีก็สะดุดกับเพื่นดินไปก็มีจนกระทั่งว่าหาอบไว้หาไม้หาก้อนดินก้อนหินมาวางเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นไปบางทีก็ก็ ก, ก้อนอิดก้ออิดบล็อกมาวางเป็นขั้นเป็นขั้นขั้สิบสี่ก้อนสิบสี่ก้าว ก็เดินไปเดินไปบางครั้งมันมันเผอไปก็สะดุดมันกันคือหาอุบายยังไงจะจะับจะแก้มันได้จะผ่านมันได้บางครัง้งบางคราก็ออกจากทางของปุ่มไปไปเดินเดี่ยวตากแดดกลางแดดร้อนๆนีค่คือเราหาหาวิธีแต่พอมันผ่านไป แ, แล้วเราก็กลับมา สู้จมกลมอย่างเดิมมาเดินนี่ยก็มาจับความรู้สึกเบาๆก่อนจับความรู้สึกที่เราเร า, เราก้าวห้มีสติก้าวขาวขวกกกกาก็ให้ลุกกอนก้าวขาไส้ลูกขณะที่เรากะเราเราเราเคลื่อนไหวเราเคลื่อนจากก้าวนี้ไปหาก้าวอย่าไปกําหนดลุกอย่าให้มันเป็นสายเรากําหนดลูกอยู่ที่ กาที่เก้าถึงพื้นรู้ก้าเนี้ก็รู้ก้าวเนี้ยก็รู้อยู่ตัวรู้ตัวเราสร้างขึ้นเนี่ยสร้างไปสร้างมามันก็มีพลังมีพลังขึ้นมาแล้วทีนี้พอมีพลังขึ้นมาก็เออเกิดเกิดสติที่มันมั่นคงขึ้นมา ความรู้สึกเราจะชัดเจนแล้วท่ี้พอความรู้สึกชัดเจนจะกําหนดได้ดีพอกําหนดได้ดีแล้วเนี่ยตัวในวัลธรรมเขาจะห่างออกไปแล้วทะนี้เราไปแล้วจะมีความรู้สึกเดี๋มาแทนการปฏิบัติธรรมเราอย่าไปทอดแท้อย่าไปแพ้ผู้ใหม่ๆเนี่ย ยิ่งดีทุ่มเท้ให้มากมันจะหนักหนาในในอารมณ์ไหนก็แล้วแต่พยายามสู้สั ก, ก่อนพยายามตั้งใจมันผ่านก่อนแต่ก่อนนี่หลวพ่อคำเขียนนี่ก็สอนตอนหลวงพ่อความง่วงเนี่ยความง่วงมันลอยทางหน้าแล้ว ความชิดเนี่ยความไม่ชิดมันมีอยู่ทั้งหน้าคอยเดินให้มันถึงก่อนแล้วก็เอ๊ะมันจะเป็นไปได้หรือความไม่ง่วงมันจะมันจะมีจริงหรือความไม่ชิดเนี่ยมันจะมีจริงหรือก็ก็ต่อต้านก็ไม่พอใจก็ไม่เชื่อแต่ว่าการกระทาเราจะทําอยู่ แต่พอทำไปจริงๆเนี่ยความแมงว่วงมันมีจริงพอเรา ม, มีความรู้สึกดีๆเนี่ยตัวง่วงวงมันวนไปไหนพอคำง่วงไปแล้วเนี่ยตัวขยันเนี่ยความเพียรจะมาแทนตัวขันติก็จะมาแทนพอสองตัวเนี่มาแล้วเนี่ย เราจะสดเชื่นขึ้นมากอ๋อเมื่อกี้มันง่วงไปไหนมันขี้เกียจไปไหนอันนี้เราเราไม่ต้องไม่ต้องเกตัณนามันเป็นเองมันเกิดขึ้นมาเองความเพียรเกิดขึ้นมาเองขันติเกิดขึ้นมาเองอยากทาอยากปฏิบัติผู้ที่ได้อารมณ์เนี่ยเราจะเห็นจะรู้ทันทีว่าพอใครได้อารมณ์อยากจะหลีก หลีกหมูหลีกมิดไม่อยากคุกเขีกับใครหามุมสงบจะไปเดินอยู่คนเดียวบ้างจะไปสร้างแกงวาอยู่คนเดียวนี่คือได้คือได้หลักล้วนี่คือเราละเราเราได้ต้นทางแล้วได้สติที่มันมีน้ําหนักแล้วได้แล้วเราก็อย่าไปทิ้งตัวนี้จับคําไปยากสติ อยาท่งงยาละแม้นว่าความชิดมันจะชิงไปบ้างก็เอาคืนมาไอความชิดนี่มันก็ยังมีชิดอยู่แต่เราไม่หนักเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนความชิดมาเราหนักมากชิดเรื่องอดีตก็หนักมันไม่อยากดึงมามันไม่อยากมาบางครั้งสร้างกังวัดสิบสี่รู้เนี่ย มันจะรู้แค่สี่รู้สามรู้นอกจนั้นจะเป็นความชิดหมดแต่พอเราได้หลักสติที่มันสมูุขึ้นแล้วนี่ความชิดนี่มันจะน้อยลงเองตัวชิดกับตัวรู้เนี่ยมันทําลายกันเองเหมือนความมืดกับความสว่างแต่เราจะอย่าไปคิดแก้นะอย่าไปคิดแก้กความคิดแล้วก็อย่าไปคิดตัดความชิด ผู้ใหม่ๆเนี่ผู้เริ่มต้นเราสนใจความรู้สึกตัวนี่ละเอาสติสนใจสติคือความรู้สึกตัวเทกก่อนให้เรามาสนใจตรงที่ก่อนถ้าเราสนใจความชิดมันจะเป็นมันจะไปเลยตั้งแต่เราสนใจความรู้สึกอยู่มันก็ชิดอยู่มันก็เผลอไปชิดถ้าเราสนใจไปดูความชิดมันยังอย่ไปมันยังไปหนัง เหมือนหลวงพ่อเทียนสอนพวกเราว่าแมวกับหนูเนี่ยแมวตัวแรกอยู่หนูมันคาบไปมันดึงไปลากไปส ต, ติของเรายังไม่แก่กล้านี่ความพอใจของหลวงพ่อเองแล้วนั่นไม่สนความชิดสนความรู้สึกก่อนความชิดเนี่ยเอาไว้เบื้องหนะ้าแล้ว เราจะสนความคิดหรือจะลู้ความคิดจะดูความคิดจะตัดความคิดเนี่ยเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนจะด่วนให้สติแล้วแก่กล้าขึ้นขึ้นก่อนพอเรามากำหนดรูด ท, ที่กายเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยขยันรูเบ่อยๆเกตนารูดดีๆพอเรารู้ไปเรื่อยๆเนี่ยการสร้างกังวะก็ดีเดินน้ำกลมก็ดี ถ้ามันเป็นสติประธานจริงๆแล้วนี้เราจะเห็นเลยแล้วว่าพอเราจับสติได้ดีๆนะโอ้เราจะเห็นระหว่างความชิดกับความรู้สึกนะมันจะแยกกันโอ้ในความชิดเด้โอ้ในสติถ้าถ้าเราได้ถึงโอ้แล้วนั่นหลักอะไรต้นทาง เห็นแล้วว่าโอ้เนี่ความคิดโอ้นี่สติเราครบอะไรเราครบสติเราไม่ครบความคิดเห็นโอ้ความคิดคือคนผ่านเด้ตัวนี้คือตัวผ่านเราไม่ครบแล้วคนผ่านไม่ไปแล้วเห็นทิศเห็นทางเห็นทางเดินเนีสติเนี่ยเพระพผูธคำทางเราก็ยืนหยัดอยู่กับความรู้สึกตัวเกเทนารูปไปบ่อยๆต่อไปเนี่ยมันจะลุกความันเอง เดี๋ยวนี้เราช่วยกำหนดรูปไปก่อนแต่พอต่อไปข้างหน้าพอมันเป็นสติปัฏฐานจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่กำหนดก็รู้เองทีนี้เป็นน่าแปลกมากคําสอนหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อหลวงพ่อสะดุดตรงนี้ตื่นเต้นตรงนี้มากว่าเออไอ้ที่ไม่กำหนดมันรู้ได้เนี่ยมันรู้ได้ยังไงซึ่งจากก่อน อามเชื่อนก็สอนอัตนาถึงจุดลู่มันจะลู่ของมันเองแต่พอเราทําไปเรื่อยๆพอถึงจุดลู่ลู่มันเองนะ่ะแล้วขยากะยันตอนไหนมันจะลู่ไปหมดลู่เองโดยไม่กําหนดมันเป็นเองการเดินก็เหมือนกันละเดินไปไหนเหมือนกันเดินชมกลุ่มไปหมดนี่มือเราก็เหมือนกันจะจับนั่นจับนี่เราลู่เองหมดแม่แต่ นอนดูพริกคลิกใต้พริกขัวก็รู้ไอ้หลวงพ่อท่านสอนว่ากินน้ำลายเมากไส้แลว้วขัวให้รู้ถึงจุดนั้นมันจะรู้ของมันเองของมันจะรู้ของมันเองโดยแล้วไม่ลอยแล้วไม่เกตนามันก็รู้ของมันเองแต่ทีแรกเราเกตนาไว้ก่อนเเกตนาช่วยไปก่อนกําหนดรู้ไปก่อนความรู้สึกตัวเนี่ยกาหนดรู้ไปก่อน เกตนาลูกก่อนลูกช่วยก่อนแต่พอถึงจุดนั้นในไม่ทังเกตนายากมันพร้อมเลยมันลูกของมันเองต่อเนื่องอ๋อท่านจะพูดอะไรเราทําของยากให้เป็นของง่ายทําของมากให้เป็นของน้อยพลวะพ่อจำคำหลวงพ่อเทียนสอน พอมาถึงจุดนี้เรารู้ทันทีว่าโอ้แต่ก่อนเรายากมากกำหนดนี่ก็รู้บ้างไหมรู้บ้างอะไรต่างๆสับสนพลวัยไปหมดแต่พอถึงจุดนี้เราง่ายโอ้มีตัวรู้สึกตัวเดียวไนี่ยเดียวกับความรู้สึกไปไหนใช่ชีวิตกับสติก็เลยปลอดภยัยก็แรงง่ายก็แรงง่ายแต่ก่อนก็เหมือนกันมันมาก อะไรเป็นสติก็ไม่ก็ไม่เข้าใจอะไรเป็นสามาธิอะไรเป็นศีลอะไรเป็นสติปัฏฐานอะไรเป็นสติธรรมดามันป้วเพี้ยมนปนกันไปหมดพอเราจับสติปัฏฐานได้เนี่ยมันจะแยกกันตรงนั้นจะแบ่งกันตรงนั้นเลยโอ้เราก็ไปไปโอ้หนี้เด้เอาสติอย่างเดียวน้อยไม่ได้ทำอะไรยาก ถ้าว่านักปฏิบัติมันยากอยู่อย่างยัโยมพระคนเจ้าทำทีแรกเนี่ยทายากอย่างงี้ไม่มีใครไม่มีใครทำหรอกจุดจุดง่ายมันมีมีจริงจุดมันแก้ปัญหาของเราของเราได้มันมีจุดมั่นใจของเราเนี่ยมันมีพอถึงจุดนี้แล้วเนี่ย เราไม่ต้องบอว่กความโกรธความรอบความหลงเนี่ยเราไม่ต้องไปแก้อะไรยากไม่ต้องไปคิดแย่มันจะแก้ของมันไปเองมันเพลาลงเองมันเบาลงเองมันห่างจากตัวเราไปเองเห็นแล้วเห็นความโกรธและเห็นความโลภและเห็นความหลงแล้วเห็นความหลงตัวเดียวจะเห็นไปหมดทุกอย่างเพราะทุกอย่างเกิดจากความหลง พอเราเห็นความหลงแลโอความโลภ ก, ก็เกิดจากความหลงก่อนความคิดก็เกิดจากความหลงก่อนหลงแล้วตั้งโกรธหลงแล้วตั้งโลภตั้งคิดตั้งรักตั้งขังมันหลงก่อนอันตัวสติการจเจริญสติเนี่ยมันแก้มันแก้ความหลงดังนั้นเราพยายามพอกพูนสติเอาไว้เอาไว้หลายๆมันจะไปมัน พอได้สติหลายแล้วเนี่ยสติจะไปแก้เองทุกอย่างแก้ความรู้ความปวดของเราไม่ใช่หน้าที่ของเราจะต้องแก้เป็นหน้าที่ของสติความชิดก็เหมือนกันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปแก้ความชิดตัวสติตัวปัญญาจะไปแก้เองหน้าที่ของเราคือสร้างสติอย่างเดียว เมื่อเราทานข้าวเราทานข้าวเรามีนาท่ทานข้าวอย่างเดียวเราไม่ต้องบอกว่าคำนี่ไปเป็นเลือดไปเป็นเนื้อไปเป็นเอ็นกระดูกนะไปเป็นกระดูกนะไปเป็นศีลไปไปเป็นสมาธิไปเป็นปัญญาเด้อเราไม่ต้องไปบอกเรามีนาทีคือเราทานอย่างเดียวทานอย่างเดียวทั้งจุดอิ่มเราก็ไม่ได้ไปบอกทั้งจุดอิ่มก็อิ่มเอง ธรรมชาติธรรมชาติมันจะจะจัดสรรมันเองจะไปเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นเป็นเอ็นเป็นกระดูกหน้าที่ของธรรมชาติไม่ใช่น้าที่ของเราเราไม่เท่าน่ากินอย่างเดียวทานอย่างเดียวการจเจริญสติก็เหมือนกันเรามีหน้าที่ก็ะสร้างสติอย่างเดียวเนี่ยสติจะไปทา หน้าที่เองหมดทุกอย่างเป็นอย่งงางนั้นจริงๆพระเจ้าเราก็สอนเรเรื่องเหตุกับผลสองอย่างเท่านี้เราปลารถอยู่ที่เหตุผลจะเกิดมาเองถ้าเราเหตุดีผลก็ดีถ้าเหตุไม่ดีผลก็ไม่ดีการจเจริญสตินี่เป็นการปลารถเหตุยืนหยัดอยู่ที่เหตุคือความรู้สึกตัว อย่างอื่นจะเป็นไปหมดเพราะสติมันมันกำหนดลูลกยู่ที่กายเป็นเองแล้วเนี้ยสติจะไปพัฒนาขึ้นไปอีกแต่ก่อนนี้การกระทบจากรูปเสียงกินรสสัมผัสเราไม่ทันเราไม่ทันจะหลงบ้างหลงหลายกว่ารู้แต่พอเราสติ มันเมยต่อเนื่องนะ่ะสติจะพัฒนาขึ้นเป็นรับรู้ตรงนี้อีกพอกระทบจากลูกพอใจเลยพอใจมันรู้ล้วมันแก้แล้วมันคืนแล้วแต่ก่อนมันไม่คืนแต่พอสติแล้วแล้วรู้ต่อเนื่องมันจเจริญแก่กลาขึ้นแล้วเนี่ย มันทันกับการกระทบจะเป็นรูปเป็นเสียงก็ดีดังนั้นหลวงพ่อถึงได้พูดว่าไม่ใช่นาที่ของเราที่ต้องแก้ความโกรธพอสติมันเต็มที่แล้วตรงนี้มันจะแก้แะเกิดจากเสียงเนี่ยมันจะเข้าไปไปสู่หูหูจะส่งไปหาใจตรงนี้มันจะเริ่มดูจิตเป็นละ แต่ดูอยู่ๆเราจะไปดูกิจคือหลวงพ่อประสบประการณ์เรื่องนี้มาเนี่ยเรื่องการเจริญสติมาเนี่ยก่อนหลวงพ่อสติยังไม่มากครูบาอาจารย์บางลูกก็บอกว่าให้ดูกิจว่าดูความชิดพอโดนชิดมันหลงไปเลยอะหลวงพ่อเป็นบ้าเกือบเกือบเป็นบ้าไปเลยเคยพูดหละยครัง้งเกือบฆ่าตัวตาย ยุวัฒนามในปีสองหกอ่ะก็ประเด็นนี้เองอ่ะประเด็นที่เราสติยังไม่แก่กล้าเราไปดูความชิดมันออกไม่อยู่มันทุกข์มากเลยล่ะเราบังคับไม่ให้ชิดเอาสติไปไปกดความชิดยิ่งกดมันยิ่งยิ่งไปเลยเหมือนเอาน้ามันใส่ไฟมันลุกไปเลยอึดอัดมากเบื่อแสงมากคีวิตนี่ ไม่มีที่อาศัยแล้วมันออกไปทางๆเลยปรุงแต่งไปอย่างหนักแต่สามโมงเข้าจนถึงสี่โมงเย็นนก็ร้องอยู่ลงไปลงมาเนี่ยในวัดสนามในเนี่ยมันมีแต่ก่อนมันมีกติอยู่ในานา้ำน้ำจะลออวัดสนามในไห้ท้องแล้วกระดานก็ห่างๆอย่างเนี้ย ก็แลไปทางทางน้ําเห็นป่าเห็นป่ามันไวหวแต่กันมันอะไรอยู่เป็นฝูงเป็นฝูงป่าดูป่าดูไปดูมาเนี่ยความชิดแล้วมันอยู่แต่ก่อนมันหลงกับความชิดมันอึดอัดพอถ้าเรามาดูป่าเนี่ยจิตของเรามันไปจดจ่ออยู่กับป่ามันค่อยคายออกคายออกพอคลายออกคายออกโอ้แต่ก่อนเรายกมือเนี่ยไม่รู้สึกตัวเลย เพราะอะไวเพราะคลายออกค่อยอึดอัดอะไรมันคลายออกคลายออกไปดูปลาดูปลาเออปลาขึ้นมันไม่ทุกข์เหมือนเราเราเป็นคนแท้ๆปฏิบัติธรรมแต่ไม่ทุกข์แท้จิตมันไปเปลี่ยนอารมณ์ตรงนั้นก็เลยมาจับความรู้สึกยกมือขึ้นเอามือลงเฉยๆนี่แรกค่อยสัมผัสค่อยลูบขึ้นนิดๆไปไปมาลูบมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น ค่อยคายออกอตรงนี้หลวงพ่อเลยเห็นว่าโอ้นี่สติเรายังไม่แก่ก้าภาษาปฏิบัติท่านวราอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าเราไปดูอารมณ์เนี่ยมันมันผิดมือนข้ามขั้นการจเจริญภาวนามันข้ามขั้นการยานุบาลปฏิบัติฐานยังไม่สมบูรณ์เลยเราไปดูกิจตาไปดูธรรมมาแล้ว มันมันข้ามขั้นกายยะกับเวทนาเป็นคู่กันจิตตากับธรรมาเป็นคู่กันงนั้นสติปัฏฐานเนี่ยกายแนากับเวทนาเนี่ยคืออสติรู้ียบกายให้เต็มให้เต็มร้อยก่อนแล้วพออยมามากับมาสร้างสตินะสร้างจังหวะเนี่ย มาสร้างกังวะมาทำสติให้แก่กล้าขึ้นพอเรามาเริ่มทำสติเนี่ยมันคายออกคายออกแล้วตัวนี้หลวงพ่อจะเร่งความเพียนเลยเร่งสติเลยวันนั้นเพลงก็ไม่ไปฉันกลัวมันจะลงล็อกตรงนั้นอีกไอความชิดเนี่ยไม่ไปดูเลยที่เนี่ยดูสร้างสติอย่างเดียว ให้อยู่กับความรู้สึกตัวในอย่างเดียวให้มากแต่พอสร้างไปสร้างไปสร้างไปสร้างไปสติมันชัดเจนขึ้นแล้วเนี้ยพอกระทบที่หลังเนี่อลู่เลยแหละลู่เลยหลวพพ่อไม่ได้ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เ็นไม่ใช่เห็นความชิดนะไม่ได้ดูอย่างอย่างครูบาอาจารย์ท่านพูดเห็นความโกรธเจ้าของนะ่ะ หเห็นความโกรธก็คือเห็นจิตนั่นแหละโอ้โกรธไม่ไม่หยุดไม่หยูดที่หูโกรธไม่อยู่ที่คนอื่นโกรธในที่เราเนี่ยมันอมเองเพราะมันเข้ามามันไม่โอ้ทีนี้เรารู้แล้วตัวสติเป็นเครื่องกองอารมณ์ระหว่างอารมณ์เกิดขึ้นมาเนี่ยจากเสียงกับหาหูเนี่ยสติจะ ก, กองตรงนี้แต่กองตรงเนี้ย เหมือนน้ำขุนกับน้ำใสลองอารมณ์โอจะรู้เลยว่าโอ้เนี่ยโกรธเห็นความโกรธเฉดลาะแม่กล้าเราจะสร้างบาปสร้างกรรมไปถึงไนอีกสร้างบาปทั้งมโนวิญญาณด้วยเลิกเลิกเถอะไม่เอาอีกมันไม่ใช่เราจะแกล้งทำ ในชีวิตจะแก้งเลิกแก้งละแต่ตัวสติปัญญาจะบอกเราเองเราแก้งไม่ได้ตัวสติเนี่ยจะบอกเราเองโอ้ทันทีเลยยอมหลับไม่เอาอีกแล้วเข็หลับเนี่ยความโกรธเนี่ยมันเห็นง่ายความโกรธนี่ความโกรธกับตัวกามเห็นง่ายมันห ย, ยาบ เราเห็นง่ายๆพอมีสติเนี่ยมันแก้ของมันเองทุกอย่างหากว่าผู้ใหม่นี่ความโกรดนี่เรายังไม่เห็นจุดเนี่ยเรายังไม่เห็นความชิดแลายไม่เห็นการกระทบสัมผัสเนี่ยเราเอาความรู้สึกแก้ไปก่อนถ้ามันโกรามาเรามาเดินน่งกลมก่อนเดินนองกลมสร้างอย่างว่ะสักก่อนเอาตัวนี้แก้เอาความรู้สึกอิเทไกลเนี่แก้ก่อน อย่าดวนเอาความัตสึกอีที่กิดไปแก้ซึ่งก่อนหลวงพ่อเคยเปฏิบัติยุบหนอพองหนอมาแบบอาจารย์อัจฉริะอยู่วิเวกอสศวเมืองชนเน่ะเพราะโกรธเนี่ยท่านจะให้กําหนดว่าโกรธเนอโกรธเนอโกรธเนอเนี่ยบุญกรรมไปเรื่อยๆมันมันจะคลายของมันเองแต่ของเราอย่างพอมีความพอมีความโกรธกับทบทวนเปลี่ยนมาเป็นความ รู้สึกเลยสั้นกว่านั้นอีกเลางาเทียนมาสอนพอมาเจอลงมาเทีย น, อ น, ออยนโอ้ลัดสั้นกวกกันพอความโกรธขึ้นมาเนี่ย เ, ออเรามาความรู้สึกมันผ่านไปแล้วแต่ว่าความรู้สึกของเราตัวนี้ยเราจะมีน้ำหนักไหมมันอยู่ตรงนี้ความรู้สึกหรือสติของเราไม่มีน้ำหนักหรือเปล่าตรงเนี้ย ถ้าสติไมีน้ำหนักม ja. ันตัดความคิดได้สติมันคมสติไม่น้ำหนักพอมีความรู้สึกมันมันแจ้งเขามันแล้วพออย่าความรู้สึกมันเปลี่ยนเขามันแล้วเปลี่ยนจากโกรธมาเป็นความรู้สึกแล้วมันวางสักก่อนมันวางแล้วเนี่ยเราจะเห็นอย่างนี้เราจะเห็นแต่โอ้เราเห็นลรเปลี่ยนมันเปลี่ยนเองเราไม่ต้องไปเกตนาอะไรมันเป็นมันเป็นของมันเอง อันนั้นแต่าการเราเคยยุบหนอเขานะเ่เคยเคยโบเล็กกับไปโกรธก็ก็กำหนดระหว่าโกรธรักก็กำหนดระหว่ารักชงังก็อะชังไม่พอใจเนอะไม่พอใจเนาะก็ว่าเพอจิตมันอยู่กับหนอแน่ๆเนยมันก็วางเหมือนกันมันลืมมันเปลี่ยนเปลี่ยนจากโกรธมาเป็นความรู้สึก ของเราก็เหมือนกันน่ะง่ายๆเปลี่ยนไม่เป็นควนามรู้สึกเลยจะเดินมุ่กลมอยู่คัยูุกกระเดินกล ม, กกกลมเลยจับตัวรู้สึกให้ชัดสติจับเท้าให้ชัดๆเท้าขวาเท้าซ้ายลงพื้นตึบๆให้ดูท้างก็แก็เหมือนกันเกตันตุนเ้เดียมก็วางมันเองนี่เบื้องต้น อ, อ่าจากสติมันเป็นเองแล้วเนี่ยมันจะลาผิดชอบตรงนี้จากอินทรีย์ อินที่สิบสองน่ะตากระลุหกหูกรเสียงแขมกุกกระกินลื่นกระลัจะรับผิดชอบตรงนี้ค่อยปฏิบัติไปนะักปฏิบัติทำอยา่าอย่าอยากรู้ก่อนรู้หลวงพ่อจําลงห้องเขียนไปดีดี่อนลงพ่ออย่าอยากรู้ก่อนลูกอย่าอยากเห็นก่อนเห็นแล้วก็จําไว้ตรงนี้เนี่ยพอถึงจุดนี้มันรับผิดชอบตรงนี้แล้วก็เห็นแ่ะ อ๋อการกระทบเนี่ยเราเราผ่านได้เด้อเนี่ยพอผ่านได้มันยิ่งอยากลองแต่ก่อนมันกลัวกลัวคนอย่ยมาว่าอย่างงั้นให้กวดเสียอารมณ์เนี่ยการเป็นบัตรก็เหมือนกันอยากอยู่คนเดียวอยากอะไรต่างๆนานาอยากไม่คุกคีกับเพื่อนละแต่ก่อนพอได้ต้องเน่แลยอยากเจออยากให้เขาทดสอบอารมณ์เนี่ยพอลองว่าแต่ก่อนเจ็บอารมณ์นี่ มาเจริญวัฏสงฆ์ในปีปีสองหกนะี่ะอยู่กับหลวงพ่อเทียนนั่นแหะพระท่านในเก็บอารมณ์เนี่ยไม่ออกจากห้องนะห้องแค่เนี่ยเดินจากนี่ะหันขาวเก้ามุมนะั้นกับมุมนี้อยู่ได้เดือนได้<ม>อยู่สี่ห้าวันสี่สิบห้าวันหลวงพ่อหยู่ได้ 4, น, 4, น, ไดนี่ยละ่ะทีนี้เขาจะทดสอบอารมณ์เพื่อนท่านให้เอาข้าวไปส่งเนี่ย แม่ก่อนบางครั้งเนี่ยเพื่อนก็แกล้งเราเหมือนกันเด้วยอยากลองสอบอารมณ์เราไม่ใช่แกล้งอะไรหรอกบางทีอาหารหลายๆเอาไปให้หน้อยๆเอาเข้าวมากๆบางทีอาหารมากๆเอาเข้าวน้อยๆไปให้เราของหวานเนี่ยอร่อยมากเก็บเจ็บอารมณ์เนี่ยท่านหลวงพ่อนะกล้วยกินกระทั่งเปลือกระโยอมมีวัฒนารรมใน ถ้าท่านทําอย่างนั้นอะ่ะเราเป็นยังไงพอเพื่อนแกล้งเราเป็นยังไงเราดูใจเป็นไหมเราจะเริ่มดูใจลราไท้ทีนีนถ้าเราพอใจไม่พอใจโอ้ผิดล้เนี่ยมันจะเลือกสอนเองอะไรอะไรก็สูตรเราสอนรอแม่ได้สติสอนรอแม่ได้เนี่ยนักปฏิบัติเนี่ยให้ให้มันได้ได้จากประสบกับอารมณ์จริง เราจะเห็นแล้วโอ้เนี่ยเพื่อนสอนให้เราโกรธเด้บางทีก็มาว่าการเทวเรรนไม่ให้บินธบาตไม่ให้ทําวัดเลเนาะมาว่าเอาเปียบเพื่อนนั่งกินนอนกินในห้องเลยหรือเพื่อนยากจะตายแล้วไปบินธบาตเราเอาเปรียบเพื่อนแทะแก้งมาว่าให้เราโกรธแล้วก็เห็นเห็นความความคิดของเราอ่ะเห็นความหลงของเรา เห็นความโกรธของเราก็เห็นโอ้มันเกิดขึ้นมาพับแล้วก็รู้ทันทีหัดดูไปอย่างนี้แล้ว่าหัดไปอย่างนี้จากรูปจากเสียงจากกินจากรสได้แล้วเนี่ยโอ้ต่อไปนี่เรื่องความชิดสติของเราจะพัฒนาขึ้นอีกจะไปรับผิดชอบเรื่องความชิดอีกจากก่อนนั้น เราคิดแล้วถึงรู้เราคิดแล้วเป็นเรื่องอดีตก็ตามมานาค้ก็ดตามหรือปัจจุบันก็ตามเราคิดแล้วัึงรู้คิดแล้วทึงรู้คิดแล้วถึงรู้รนี่แต่พอพอเรามาตติล้วแก่กาแล้วเนี่ยพอมันคิดเรารู้เลยคือเราเห็นกิจแล้วเนี่ยตรงนี้เราพเขียนท่านสอน บอกว่าจิตหลอกเราไม่ได้อีกแล้วเรารู้ทันมันแล้วรู้ทันมันแล้วหลอกเราไม่ได้อีกแต่ก่อนเราถูกหลอกโอ้เราถูกหลอกตั้งแต่เราเกิดรู้จักภาษาคนมาอมืถ้าไม่มาปฏิบัติมาปฏิบัติแล้วถ้าไม่เจอลองพ่อเทียนเนี้ยก็คงจะถูกหลอกไปอีกนี่ยเหรอ ประสบาการณ์ตัวของเองโอ้ถ้าไม่เจอลงมาเทียนแล้วก็ถูกหลอกอะไรมันหลอกก่อนหลวงพ่อทำพุโทโธยุบหนองพองหนอเนี่ยนิมิตมันก็มาหลอกเกิดนิมิตบางครั้งเนี่ยเดินน้กลมอยู่เนี่ยมีตัวเราเดินออกก่อนก็มีเดินออกก่อนเราไปกลางวันไดน้ก็เราก็รู้อยู่อ่ะแต่ทาไมมันมี มันก็หนักแปลกบางทีก็มาทางหูเหมือนหลวงพ่อเทียนมาบอกเราเนี่ยเออทำไปถูกแล้วถูกแล้วเนี่ยบางทีก็มาทางลิ้นกืนน้ำลายอิ่มไปหมดวันทั้งวันไม่หิวข้าวเลยก็มีนี่คือในพิษน่าหลอกเราทางนั้นเราถูกหลอกเ้าถูกหลอกมาหลวงพ่อถูกหลอกมาหลายแล้วไปไปมามาหลวงพ่อ พอเห็นจากในมิตรเนี่ยพอเกิดในมิตรเกิดแล้วมันได้เห็นต่อไปอีกเห็นอย่างบ้านสังคมเดียวนี่เขากำลังชอบมันเห็นใชเห็นเลขเห็นหวยเห็นเดี๋ยวอ้องภาพไปไหนพูดออกเป็นภาษาตัวเลขไม่ได้สมัยนั้นมันเป็นเรื่องของอารมณ์พูดไม่ได้เลยพูดเป็นตัวเลขเนี่ยตัวละ 10, หมื่นบาทสองหมื่นเขาเคิาซื้อทำไมนั่น นี่คือกิตหลอกเราทั้งนั้นหลวงพ่อมาเห็นตรงนี้โอ้ยเกือบเนาเราเนี่ยเกือบเกือบไม่เห็นตรงนี้เ น, เ, เนเอเกือบไม่เห็นจิตไม่เห็นความชิดเกือบตรงนี้เนอถ้าไม่เห็นตรงนี้ก็จะถูกหลอกไปตลอดชาติหรือชาติหน้าก็ทุกขถูกหลอกอีกพอเห็นตรงนี้โอ้เราได้กําไรชีวิตแล้วอ่าเกิดมาเนี่ยโอ้ไม่เสียชาติเกิดเนอ สงสารความโกรธเนี่ยโอ้ยสงสารเจ้าของชิดเห็นความโกรธอะไรโอ้ใจอ่อนเลยเอาเอย่ไมาเอาอีกแล้วมันรู้มันรู้สับ ส, บ ส, บ ส, บ ส, บสบภาวะจิตของเราในหลวงพอ่อว่าโอ้การเจริญสติมันมีอั น, น้สงฆ์มากเนี่ยเห็นยังนี่นี่ก็เห็นคาําี้ อย่าอยู่ๆอย่าไปดูความชิดถ้าผู้สติยังไม่สมบูรณ์หรือหากว่าอินทรียังไม่แก่กล้ามันจะทําให้เราหลงสู้ค่อยๆไปค่อยคาไปค่อยคําไปดีที่สุดดีที่สุดค่อยําไปเรื่อยๆคาไปจากสตินี่ละคาไปจากความรู้สึกตัวนี่ละคาไปจากจุดนี่มันจะค่อยมันจะค่อยจเจริญเติบตัวงอกงามไปเอง พอหั่งจุดนั้นแล้วเราจะเห็นแต่เห็นอารมณ์เห็นความคิดก่อนเห็นเรามันหลงเดี๋ยวนี้เห็นเรามันรู้มันเกิดอยู่ไหมถ้าถึงจะเกิดอยู่มีอยู่ไหมกามมีไหมโกรธไหมมีอยู่มีอยู่แต่มันไม่มีพิษมันงูไม่พิษแต่ก่อนมันไม่พิษมากมันมีออํานาจมากแต่เดี๋ยวนี้มันหมดอํานาจ ความกดหมดอำนาจความหลงหมดอำนาจสติขึ้นสูงกว่านั้นอีกแล้วสูงกว่าความโกรธความโลภความหลงแล้วเออเนี่ยทำอะไรฮะเราไม่ได้แล้วโอ้แต่ก่อนเราเป็นผู้แพ้โอ้อนี่เราชนะแล้วที่ไหชิตตังเมชิตังเ ม, ง เ, มเราชนะแล้วชนะอารมณ์เจ้าของ ชนะตัวเจ้าของในละนักปาดไวชะละชนะผู้อื่นลอยข้างพันหนุนสู้ชนะตนข้างเดียวไม่ได้มันมีรสชาเกิดมาท่าใดและเรายิงกําหนดลูกเกิดมาจากความโกรธแล้วก็กําหนดลูกลงไปเห็นมันทันที่านอ่ไยเลยไม่ได้มันเป็นเกมกีฬาของเราอีกซ้ำเกิดจำลบโอ้เห็นมันแกมันได้ไหม เกิจะความโกรธโอ้เห็นมันแล้วแกมันได้ปับวันทังวันเราอยู่กับตัวแกกําหนดแช่เรื่อยๆนี่แต่ก่อนเราเกตนาอยู่กําหนดลู่ตัวนี้กําหนดลู่ตัวยกมือสร้างเอาเดินไปกับเกตนาอยกับตัวลู่ตัวนี้แต่พอถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยไม่ได้เกตนายู่กับตัวนี้แต่ว่ามันจะเกตนาอยู่กับตัวอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาหรือความคิดมันเกิดขึ้นมาเนี่ยสติของเราจะไปรับผิดชอบ รอบลู่ลู่รอบทุกแง่ทุ ก, ทกมุมทุกอันจะ่ลู่ของมันเองแต่ลูนะ่ล่ะแต่ว่าแม้นว่าเราไปไปเห็นความคิดไปแก้ความคิดได้แล้วความคิดหลอกเราไม่ได้แล้วได้แล้วแต่ความรู้สึกตัวตัวนี้ทิ้งไม่ได้ตัวนี้คือหลักตัวนี้คือฐานเราต้องกลับมาที่ตรงนี้ความรู้สึกตรงนี้เรื่องไปดูความชิดดูอารมณ์ไปดูแต่ละครั้ง ดูแต่หลกักเราจะไม่นั่งดูนานๆเดี๋ยวมันจะหลงปั๊บมายู่ตัวนี้ไปค้นรูาสึกตัวนี้เนี่ค้นรู้สึกอยู่กับกายอยู่กับกายยานตุปตนนาเพราะคำเสียอันออกให้มกลับมาอยู่บ้านอยู่ช่องนี่บ้านของเราคือกายสติกำหนดโลกอยู่ที่กายใจให้ให้ใจกับกายมันอยู่ด้วยกัน อาพเธีให้กายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นนี่คือเราจะต้องทำตรงนี้ตัวปัจจุบันนขนาดตัวนี้ตัวเราจะต้องสร้างขึ้นทำยังไงกายกับใจจะอยู่ด้วยกันแล้วให้ทำเนี่ยอย่าว่าไม่มีเวลาโอ้พวกหนูยากภาระหน้าที่หลายอย่างผมยากหรือหากว่าโอ้พผมแก่แล้วผมแก่แล้ ว, ลวทำไม่ได้ดอก ฉันแจ่แล้วเดินความก่อยไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นการเจริญสติของมาลาเนี่ยที่ครูบาอาจารย์มาสอนนั่นสอนทิ่งที่เราทําอยู่การใช้ชีวิตเดินเดินนั่งนอนเนี่ยเราทําอยู่แล้วกําหนดลงไปที่อวลาที้เราทําการทํางานเนี่ยเป็นหมอพยาบาลใครตรวจคนไข้หรือทําะไรแผแลนั้นเราก็ไม่ใสติไปดูที่มันหลงแล้วก็แล้วไป รู้ว่ามาอีกเรื่อยแล้วเราดูแล้วจะวีผมอาบน้ำเราทําอยู่แล้วกําหนดสติลงไปนี่คือหน้าที่เราจะต้องทําเพิ่มลงไปนุ่งผ้าห่มผ้ า, ผาเช็ดตัวอะไรเราก็ทําอยู่แล้วกินข้าวจับจอนจับจานเราทําอยู่แล้วเป็นแต่กําหนดสติลงไปนี้คือหน้าที่ของเราต้องทําทําตรงนี้ยากไหมไม่ยากเลยหลวงพ่อว่า คอยมีเกตนาเพิ่มตักนิดหนึ่งไม่นี่และเกตนาเพิ่มเกตนากำหนดลูกเช่นอยากเราจะลุกออกจากเทนี่หลังจากทำวัดเสร็จเจ็บหนังสือก็ลูกอ่ะเริ่มชีวิตใหม่ตั้งตาชีวิตใหม่เอาสติไปประกอบเจ็บหนังสือก็ลูกจะลุกกก็ลูกเดินลงไปก็ลูกไปก้าวนั้นก็ลูกก้าวนี้ก็จะใส่รองเท้าก็ลูกเดินไปสติก็ลูกไปลูกไปลุกไป รู้ตัวทั่วพร้อมนี่นี่คือเราทำอยู่แล้วเป็นเราบกพ่องคือการเจตนาเจตนารู้เจ้าของบกพ่องตรงนี้เท่านั้นเองอย่างอื่นเราสมบูรณ์หมดความรู้วิชาการทางต่างๆเรามีหมดแล้วแต่ความรู้ทางธรรมเนี่ยเราบกพร่องตรงนี้ความรู้ทางกรรมฐานเนี่ยเราบกพ่องตรงตัวเจตนากาหนดรู้ดังนั้นขอให้พวกเราทั้งหลายต้องตั้งเจตนาใหม่ ใช้ชีวิตใหม่ๆอย่าให้ใช้ชีวิตเก่าๆชีวิตที่มันหลงมันเพลินไปในความรักความชางังความเบื่อความเสื่งอันนั้นเป็นชีวิตเก่าของเราลงอารมณ์ของคือใส่ชีวิตใหม่ซะอยู่กับความรู้สึกตัวอยู่กับการจเจริญสติมันหลงแล้วก็แล้วไปหลงแล้วก็รู้ใหม่อีกหลงแล้วก็รู้ใหม่อีกมันไม่หลงหมดวันนีมันไม่หลงหมดวันหรอท่านวเกตนาดึงขึ้นมาให้ได้ เขาดึงไปเราดึงมาเขาดึงไปเราดึงมาอยู่อย่างงั้นเ่อะเดี๋ยวตัวมาเนี่ยมันจะมากกว่าตัวหลงเดี๋ยวตัวรู้จะมากกว่าตัวหลงเองก็จะเลื่อนงอกงามไปเองพ้นที่สุดก็เป็นของเรามเราเป็นผู้เห็นแล้วเป็นผู้ชนะแล้วเป็นผู้รู้แล้วเรารู้แล้วเราเห็นแล้วเรารู้แล้วเราเห็นแล้วเห็นตัวเองเห็นกายเคลื่อนไหวไปมาตัวเองเห็นเวทนาเกิดจากกายความเจ็บความปวดเราจะไม่เป็นคนทุกข์ เราจะไม่เป็นผู้ทุกข์เหมือนแต่ก่อนเห็นใจของเราที่มันพอใจหรือไม่พอใจเห็นแล้วมันโกรธมันโมโหเห็นมันแล้วเห็นมันแล้วเห็นมันแล้วเห็นไปเรื่อยๆอย่างนี้มีแต่เห็นกับเห็นมีแต่ลูกกับลูกดูให้เป็นกําหนดลูกให้เป็นนี่ก็มีเท่านี้มีเท่านี้แหละดังนั้นการที่แล้วเขาจะย่ำอีกประเภทหนึ่งว่าการที่ หลวงพ่อหลงอารมณ์เน่ะจะเป็นอารมณ์วิปลาสตรงนั่นเกิดจากตรงไห น, นเกิดจากกายานุปทานของเรานะียยังไม่สมบูรณ์ท่านเองตัวสติรู้อยู่กับกายยังไม่ชัดเจนหลวงพ่ออยากเรียนรัดอยากรู้เร็วโลภโลภในการปฏิบัติแต่ไม่รล้ดจากพอเป็น พออ ย, อยากดูมากไปบังคับความคิดไม่ให้มันคิดตรงนี้เองดังนั้นตรงนี้อย่าไปไม่ไม่ต้องบังคับความคิดเลยไม่ต้องมาปล่อยให้มันคิดไปก่อนปล่อยให้มันคิดปะคิดไปแต่ตามรู้ตามรู้ว่ามันคิดหรือหากว่าเปลี่ยนจากคิดว่าเป็นความรู้สึกตัวนี่แล้วมาสนใจตัวนี้อย่าไปดูอย่าไปดูตัวิดอย่าไปดูความคิดทั้งจุดเขาจะดูของเขาเอง ห้ามก็ไม่อยู่อย่าเห็นความชิดเด้ออย่าไปดูความชิดก็ไม่ฟังเพราะธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนั้นเองเมื่อเราปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้แล้วอย่าเป็นดอกอย่าเป็นผลเด้ออย่าเป็นผลแล้วจะสุกเด้อสุกแล้วจะเปลี่ยนอย่าเปลี่ยนรสเด้อดมะม่วงมันเปรี้ยวอย่าเปลี่ยนเป็นรสหวานแล้วก็ไม่ฟังกล้วยมันฝาดจะเปลี่ยนเป็นรสหวานก็ไม่ฟังถึงจุดเขาเองจิตก็เหมือนกันใจเราก็เหมือนกันเมื่อพัฒนาขึ้นไปถึงจุดแล้วเนี่ย อย่าไปดูความชิดเด้ออย่าไปเห็นความชิดมันก็ไม่ฟังหน้าที่ของสติหน้าที่ของบรรยายจะไปดูเองดูแล้วแล้วชิดแล้วมันแล้วเห็นแล้วมันแล้วแต่เดี๋ยวนี้เราเห็นแล้วมันไม่แล้ ว, วชิดแล้วมันไม่แล้วเดี๋ยวเนี่ยเราทุกคนชิดแล้วมันไม่แล้วชิดเรื่องความอดีตเรื่องความโกรธมันก็โกรธอยู่นั่นละ แล้วก็เปล um. e. ี่ยนมันซะเปลี่ยนนะเออพอมาคนรู้สึกมันก็วางความโกรธพอหลมันมันเกิดอีกก็เปลี่ยนอีกเยู่บ่อยๆเดี๋ยวนี้พวกเราเปลี่ยนบ่อยๆเอาถ้าถึงจุดนั้นน่ะเห็นแล้วมันแล้วโกรธแล้วมันแล้วไปเลยเห็นความปวดมันก็แล้วไปผ่านไปนี่เราเดี๋ยวนี้เราเดี๋ยวนี้เห็นแล้วมันได้มแล้วก็มีทางแก้อยู่แก้มันอยู่กับความรู้สึกตัวแต่ถึงจุดนั้นมันไม่ได้แก้ยากเพราะกำหนดรู้มัน ก็แล้วไปเลยแล้วไปเลยไปเลยเนี่ยมันก็แลยง่ายเนี่ยทำของของของยากให้เป็นของง่ายไปจุดนี้ดังนั้นวันนี้ที่หลวงพ่อพูดมาก็เห็นจะสมควรแก่เวลาเขาจบลงขเขาเพียงเท่านี้ถ้านี่ของเราทั้งหลาย ต, ตั้งใจปฏิบัติตให้ถึงมั่งถึงผลคือความหลุดความหล่นจากอารมณ์ ให้เราเข้าถึงครรมะชั้นสูงในปัจจุบันชาติอันใกล้ๆนี้เด็กกันทุกคนทุกท่านเธิด